<N ate script> ในเรื่องของอาคารตุกัดผวังทีนี้พอดูเกี่ยนในเรื่องของอาคารตุกัดผวังต่อตรงนี้นะอาคารตุกาดวังนั้นมีอารมณ์เป็นของเฉพาะตัวเองโดยเฉพาะไม่ได้รับอารมณ์ต่อจากชาวนะในวิถีนั้นๆอาคารตุกัดวังเกิดต่อเฉพาะวิถีที่มีชวนะเป็นโทสะอาคารตุกัดวังก็จะเกิดก็โสมนษษัสปฏิสนธิบุคคลสี่ทวีเหตุ Hot David un, arn, บุคคลติเหตุบุคุลชนโสดาบันบุคคลและสกทาคามีบุคคล พระนาคามีผ้าอรหันนั้นไม่สามารถจะมีอาคารตุกาพวังได้เพราะละโทส่าโชนาได้แล้วถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะปฏิญที่ด้วยมหมยบากสมนัติก็หมดสิทธิในการที่จะเกิดอาคารตุกขาพวังเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะเกิดโทมนัสเวทนาได้เลยโทมนัสเวทนาโทส่าโชนะเนี่ยไม่ว่าดวงหนึ่งดวงสองเนี่ยนะไม่เกิดกับพระอนาคาแล้วเพราะท่านละ โทสะได้เป็นสมุเฉทประหารในติกะใช่ไหมทัศนาติกะภาวนายประหาตภาธรมมสภาวะธรรมหลายที่พึงปหารโดยอนาคามีมรรคโดยมรรคเบื้องบนสา ม, มาเมือนนมรรคเบื้องบนสมก็คือโทสะเข้าปรหารไรเด็ดขาดโทสะแล้วก็เจตสิกที่ประกอบ25เข้าประหารได้โดยเด็ดขาดเป็นสมุเฉทประหาร h e n c ก็ชัดเจนตรงนั้นเลยในติกะ ทีนี้ก็ดูดูเกี่ยวในเรื่องของทุกขติอเยตุกบุคคลกลุ่มบุคคลเหล่านี้ปฏิสนธิได้จิตที่เป็นอุเบกขาสุขติอเยตุกบุคคลก็ปฏิสนธิได้จิตที่เป็นอุเบกขาก็หมดสิทธิ์ที่จะเกิดอาการตุกตาผวาทั้งทั้งที่โทรศัเกิดเขาก็ไม่ต้องมีอาการตุกตาผวาเพราะเขาตัวมูลผวัาเขาเป็นอุเบกขาอยู่แล้วหรือในกลุ่มของบุคคลที่ปฏิสนธิได้อุเบกขาเนี่ยสบายมากจะกโกรธ เป็นเครียดสมองแตกไงอาการตุกตา ว, กวังก็ไม่เกิดใช่ไหมถ้าอย่างพวกเรายังไม่แน่นะยใช่ไหมไม่แน่ว่ามีอาคารตุกตาผวางหรือเปล่าไม่รู้ <S <S เพราะอะไรเราไม่รู้ปฏิสนทีไม่รู้มูลผ ว, วังไม่รู้ผ ว, วังของเราว่าเป็นผ ว, วังกลุ่มไหนถ้าเป็นโสมานัสหมายบากสี่ดวงใดดวงหนึ่งทําหน้าที่ปฏิสนทีให้กับพวกเราทั้งหลายนีย่แสดงว่าอาการตุกตาผ ว, วังเนี่เกิดกับพวกเราตลอดให้สังเกตถึ่งนั้นไหเกิดแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเรามีอาคารตุกตาผวังประเภทนี้ ใช่ไม่ใช่แต่จริงๆมีอย่างนี้เป็นต้นถ้าโกรธในอารมณ์ที่ไม่น่าโกรธเมื่อไหร่อารมณ์ดีอ่ะดีโดยสภาวะของเขาเนี่ยเป็นอดีตทารมณเนี่ยหงุดหงิดโกรธเมื่อไหร่อาคารตุกตาผวังก็จะมาเกิดขั้นระวังตลอดทุกครั้งไปแต่สัตว์เหล่านั้นก็ไม่ทราบเลยว่าตนเองมีอาคารตุกตาผวังมาเป็นปัจจัยทำมาเป็นอะไรเป็นอนันตระปัจจุบันกับให้กระทบมนัสโวเทนา แล้วก็เป็นอนันตระปัจจัยให้กับมูลผวังเดิมมองออกไหมับพระพูดปัจจัยเงี้ยเห็นไหมเป็นอนันตระปัจจยุบาลของโทมานัสเวทนาในโทศาสโชวนะดวงสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็เป็นอนันตระปัจจัยให้กับมูลผวังเดิมคือสวงมนัสผวังเนี่ยก็เป็นในลักษณะเช่นนั้นไม่ใช่แค่อ น, นันตระนะเป็นอนันตระสมนันตรอนันตร attached, ปูปนิสยนัตถิวิคตะปัจจัยให้กับ มูลระวังเดิมของสัตว์นั้นๆไปนี่ลักษณะเช่นนี้เขาถึงบอกว่าเป็นปัจจัยจริงๆเลยนะตามว่าการเป็นปัจจัยของเขาเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อทำให้เวทนานั้นไม่ขัดเพราะจริงๆแล้วโดยหลักของปัจจัยเนี่ยมันเป็นไม่ได้โดยหลักของอนันตรชาติเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าเราไปดูในด้านของอนันตรชาติเนี่ยโทมนัสเวทนานเนี่ย จะไม่เป็นอนันตรปัจจัยกับให้กระโสมนะสวันาทุกทุกภูมิเนืทั้งมนุษย์ทั้งมนุษย์สภูมิทั้งในเทวภูมิเนี่ยไม่ไม่เป็นเลยเอา้าวถ้าอย่างนั้นอ่ะยกข้อเปรียบเทียบมาตั้งเยอะก็ว่างั้นเทวดากําลังหัวเราะชอบใจอยู่อย่างเงี้ยเออกำลังกำลังเอ่อคนที่กําลังหัวเราะชอบคนที่กําลังเสียใจแล้วก็มาหัวเราะต่อเลยทันทีเนี่ยไม่มีก็บางนั้นไม่มี อันนั้นเป็นการอธิบายเปรียบเทียบทีนี้ถ้าว่าโดยภูมิแล้วอาการเดีกับพระวังก็เกิดในการวสุกติภูมิเจ็ดมนุษย์หนึ่งแล้วก็สวรรค์หกเว้นอาบายภูมิสี่ถ้าถามว่าทําไมอาบายภูมิสี่จึงอาการตดีกับพวังไม่เกิดเพราะอะไรถ้าเขาถามงี้เราตอบไงทําไมในอาบายภูมิอยู่ไหมในอาบายภูมินั้นนะ่ะในเขาใช้ประฏิญที่กี่ดวงทุกติเัยตุกะปฏิญที่ใช่ไหมประฏิญที่อัยตุกะปฏิญที่เป็นเวขา เมื่อเป็นบเบุเบกขาเขาโกรธได้ไหมสัตว์ในภูมินั้นโกรธได้ไหมโกรธได้แต่ไม่มีอาการดุ ก, กะผวังเพราะล ง, ะงมูลผวังเดิมใช่ไหมพวกสุขเตยเหตุก บ, บุคคลก็ไม่ได่าพวกนี้อยู่ภูมิไหนอยู่ในมนุษย์เนี่ยนะกระจาตมหาราชิกาเนี่ยนะมัน อ, อยู่ใกล้ๆเรานี่สิใกล้ๆก็อยู่ใกล้ๆเราเลยเลยทวีติ เคตุกับปุทุชนโสดาสกาทานนั่นก็ในการมาสุขติภูมิเจ็ดในรูปภูมิอารูปภูมิไม่มีอาคันตุกะผวังไม่มีอยู่แล้วเอาในรูปภูมิทั้งนั้นที่เขาโกรธได้ไหมไม่ได้หมดสิทธิ์นะองคุณสมบัติไม่พอถ้าพูดไปบอกว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเหมือนพวกเราคือ <c oughs> ตามเขาสงบบาปได้ระดับหนึ่ง อาคันตุกพะพวังทำหน้าที่แทนตทารรมนาแล้วก็มูลพวังแล้วแต่กรณีแล้วแต่วิธีเนีในตีมหันตารมวิถีแล้วก็ในอติวิภูตารมวิถีทางมโนทวานเนียเกิดแทนตทารมณจิตในกรณีสี่อย่างนีที่เคยพูดกันไว้ก็คือว่าบุคคลนั้นปฏิสนธิด้วยกามโสมนัสปฏิสนธิบุคคลสถ้าพูดคําว่ากามโสมนัสปฏิสนธิบุคคลสี่รู้กันเลยนะรู้ทันทีว่าคือใครพูดแค่นี้ต้องชัดเจนแล้วคนศึกษาวิถี รับอติอิทธารมคืออารมณ์ที่ดียิ่งเกิดโทสะชวนะแล้วก็อาคารตุกพวังก็จะมาแทนใครในกรณีในอติมหมันตารมวิถีกับอติพิภูตารมวิถีแต่ทารมานะนี่เอออาคารตุกพวังจะมาแทนใครแทนแต่ทารมนะใช่ไหมอย่าไปบอกว่ามาคนเหมือนกับว่าเอ้นี่เองมาแทนใครเนี่ยบอกมาแทนแต่ทารมนะเหมือนเราบอกเอ้ย บอกว่าคนนั้นไม่มาเขาเลยให้มาแทนต้องรู้ด้วยมาใครแล้วให้มาคือปกติที่ตรงนี้เขาเกิดตถาธรรมน้ า, น า, น า, เาเกิด ก, าาก็ใช่ก็ต้องมีคุณสมบัติอะไรที่คล้ายเขาถึงจะมาแทนได้คือสีก็พยายามเดียวให้เขาไปอยู่ในเอางี้อคันฑุกับพระวังเป็นอุเบกขาตถาธรรมน้าเป็นสมมาน้าคล้ายไหมเอางี้อย่างสมมติถ้าสามีไปไม่ได้ให้ภรรยาไปแทน มันคล้ายที่ไหนแล้วคนละคนเลยคนละคนเลยใช่ไม่ใช่อะไรก็องค์ทำก็เป็นแต่เป็นวิบากเหมือนกันไงเป็นวิบากกิดเหมือนกันไงก็คือเบรคขาสองไม้บากสี่ไม้บากเบคขาสใช่ไหมเนี่ยในมหันตารมวิถีแล้วก็วิภูตารมวิถีอาคารตุงกับผวางเนี่ยเกิดแทนมูลผวังเดิม ก็เหตุสี่ประการเหมือนกันนะกา ม, มาปฏิสนที่บุคคลสแต่อารมณ์นี่รับสามชนิดไม่จํากัดอารมณ์อติอิธารมอิทธามชัตตารมณิธนนารมณเกิดโทสะาชาวนะอาคารดุกะวังก็เกิดแทนมูลผวังเดิมไอ้นี้นี่เป็นอย่างนั้นพอศึกษามูลผวังแล้วเนี่ยไปศึกษาตถารมนะดูในชีตรู้สึกจะเป็นหน้าที่เท่าไหร่วันนั้นพูดพูดกันว่าฮะที่มีเกี่ยวกับตถาธรรมนะเนี่ยนะ อ๋อหน้าหา้าจริงๆเลยไปตรงเลยไ ป, ยไปน่นแล้วไปดูอีกครั้งตถารมมณะเนี่ยนะปฏิสนธิจิตเนี่ยที่ทําหน้าที่ปฏิสนธิกิจในภพนี้แล้วเนี่ยบางดวงใช่ไหมไอ้ทุกดวงหรือเปล่าเนี่ยเว้นแต่พอมาถึงประวัติการกลับมาทําที่ตถารมนณะกิจตถารมมณะนี้เรียกว่าไงดีนอกจากทํากิจในภพนี้มาทํากิจในปวัติการอย่างเดียวตถารมนณะนี้เ้าเรียกว่าเป็น บางครั้งก็ไปเป็นอาคันตุกะผู้วังดังที่เราศึกษากันเนี่ยองที่จะทําให้เกิดตทารมนะมีกี่ประการนีต้องเป็นกามบุคคลถ้าแตทารมนะนั้นจะเกิดเนี่ยต้องเป็นกามบุคคลต้องเป็นกามชาวนะคือจะต้องเกิดต่อจากานะกามะชาว น, นะต้องเป็นกามะอารมณ์อารมณ์นั้นจะต้องเป็นกามอารมณ์นี่องค<ส>์องสามประการยังจำไว้เลยใช่ไหมถ้าไม่ครบสามประก า, ารตทารมนะเกิดได้หรือไม่ได้เกิด ไม่ได้ถามในรูปประภูมิอารูณประภูมิเกิดแตถาธรรมะเกิดได้ไหมเพราะครบไม่ครบอะไรกามาบุคคลทั้งๆ ท, ที่กามาเฉวนะเขาเกิดได้ไหมได้แล้วก็สามารถไปรับอารมณ์ที่เป็นกามอารมณ์ได้เอาในรูปประภูมิอารูปภมูมิรูปรูปบุคคลอารูปบุคคลเนี่ยเขาสามารถที่จะมีอารมณ์เป็นการมาทมได้ไหมได้ทําไมจะไม่ได้เราใช่ไหมเขาสามารถจะรับได้แต่ว่า เขาไม่ใช่กามว่าบุคคลแต่ธาตุนนะจึงไม่ไปเกิดทีนี้แม้จะเกิดอติมหันตอารมิถีอติภูตารมิถีได้ก็จริงทักก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้ทีนี้ปัญหาประเด็นต่อมาว่าที่สุดของมหาคตาชาวนะและโลกุตระชาวนะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเป็นฌานนะจิตเกิดต่อจากฌานเนี่ยแต่ธาเกิดได้ไหมเห็นไหมมหาคตาชาวนะเขายังเกิดต่อไม่ได้ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่นว่าในขณะที่เข้าฌานสมาบัติใครก็ได้ที่ทำฌานนากิจให้เกิดขึ้นหลังฌานแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดต่อพอสิ้นสุดฌานดวงฌานแล้วเป็นอะไรผวังไม่เป็นตถ า, าลัมพนาเนะแสดงเกิดเอางี้ว่าสิ้นสุดสิ้นสุดโล ก, กุตระโชานะโสดาปฏิมากเกิดขึ้นต่อมาโสดาปฏิผลสองขณะหรือสามขณะสิ้นสุดตรงนั้นเป็นอะไร เป็นผวังเป็นมูลผวังเดิมของเขาของท่านเหล่านั้นไม่เป็นตถาลัมพนะที่สุดของอาหะจามักหรือที่สุดของผลน่ยในขณะที่ผลสมาบัตเป็นไปแล้วเนี่ยพอผลดับผลและจิตดับอะไรต่อมูลผวังเดิมรับอารมณ์ต่ออย่ากชวนะมันเป็นวิบากอย่างยกตัวอย่างเช่นว่า อ่าที่ทำดีหรือไม่ที่รับอิทธิรับอิทธารมอิ น, นิธารมหรืออิทธามชชตอารมเนี่ยอติธารมอิทธามชชต อ, อ, าอารมแล้วอินิธารมเนี่ยอารมณ์สามชนิดเนี่ยอารมณ์สามชนิดนี้เป็นข้อบ่งบอกว่าเป็นเป็นคุณภาพของกรรมในอดีตเป็นคุณภาพยังไงบอกเป็นผลเป็นผลของกรรมในอดีตฉะนั้นไอ้ผลของกรรมในอดีตกล่าวคืออารมณ์เช่นเนี้ยแต่ทาลมานานั้นเป็นตัววิปากับผลเขาเรียกเป็นมุขยผล เป็นผลโดยตรงส่วนอารมณ์ที่เป็นรูปนั้นเน่ยเป็นสามัญญผลเป็นผลโดยอ้อมเป็นผลโดยตรงไอ้ตาธารมณจิตนี่เป็นผลโดยตรงของกรรมส่วนอิทธารมณ์ที่เป็นรูปเป็นผลโดยโดยอ้อมเขาเรียกเป็นสามัญญผลแต่ถ้าหากว่าเป็นนามอารมณ์ที่เป็นนามนี่เป็นผลโดยตรงนะเพราะอะไรยสุรีว่าอะไร ตัวเจตนากรรมเป็นนามหรือเป็นรูปเป็นนามวิบากของเขาต้องเป็นต้องเป็นนามจึงจะตรงกันตัวกรรมกับผลของกรรมต้องเป็นนามเหมือนกันอย่างนี้เขาเรียกว่าผลโดยตรงแต่ถ้าหากว่าตัววิบากเป็นรูปตัวกรรมเป็นนามอย่างนี้เขาเรียกเป็นเป็นผลโดยอ้อมเหมือนอะไรเหมือนกับการถ้าในอัตสาหริณีอัตกถาบอกว่าเหมือนข้าวเมล็ดข้าวโปูกทิ่มลงไปในดินเนี่ย มีต้นข้าวออกมามีใบข้าวออกมามียอดข้าวแล้วก็มีเมล็ดข้าวตัวเมล็ดข้าวมันเหมือนกับเห็ดที่ทิ่มงลงมาแต่ตัวต้นข้าวใบข้าวอันนั้นเป็นผลเหมือนกันแต่ผลในอ้อมอย่างนั้นเหมือนกันมองเห็นใช่ไหมฉะนั้นผลที่ได้รับด้วยความเป็นรูปประธรรมทั้งหลายจึงเป็นผลในอ้อมเช่นอย่างง่เราทําดีไว้อย่างมากมาถูกรางวัลที่หนึ่งไอ้เงินทองที่ได้ผลในอ้อม เราบอกว่าไม่อยากไม่อยากเอาผลโดยตรงเลยขอผลโดยอ้อมไว้ใช่ไหมให้เงินทองที่ได้บ้านเรือนที่ได้รถลาที่ได้ตาหูจมูกลิ้นกายที่ได้เงี้ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกที่ได้นี่ผลโดยอ้อมผลโดยตรงคือตัวมูลตัวปฏิสนธิแล้วก็ตัวผวังแล้วก็ตัวตะทารัมพนะแล้วก็มีจักขูวิญญาณโสตวิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายเยาว์ิญญาณสัมปติชนะสันติเลยนะกลุ่มเหล่านี้คือผลโดยตรง แล้วก pues ็ตาทารมณจิตสิบเอ็ดนี่คือผลโดยตรงนี่ให้ชัดเจนตรงนั้นว่านี่คือผลโดยตรงของเขาบางคนบอกโอ้ยไม่่อยยากได้ผลโดยตรงนล้วแต่ต้องการผลโดยอ้อมเอาไงจีบัาผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอ่าถ้าผลโดยอ้อมใช่ไหมผลโดยอ้อมอย่างนี้เราก็ได้มาตั้งเยอะนี่เห็นสมบัติของคนอื่นก็ชื่นชมปะได้เห็นแล้วไงได้เห็นผลโดยอ้อมแต่โดยตรงไม่ได้นี่เพราะว่าไม่วิบากของเราใช่ไหมผวังของเราไม่ได้ไปรับจริงๆ ได้โดยอ้อมเราก็คือได้เห็นได้ในประวัติการเนาะเนี่ได้โดยอ้อมไะจริงๆถ้าต้องโดยตรงด้วยโดยอ้อมด้วยนีเลยหลายคนถ้ศึกษาตรงนี้แล้วก็มองเห็นเออสําคัญดีเอาเอาอย่างนี้นะขอยกตัวอย่างหน่อยว่าไอ้คาว่าสัตวิริลฉานเนี่ยถ้าหาตัวมูลผวังไม่ได้โดยตรงแต่ในประวัติการตถาธรรมณะจักขุยยาณเป็นต้นของเขาเนี่ยมาได้รับโดยอ้อมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาได้ เกิดเป็นเป็นอยู่ในตระกูลเศรษฐีจริงสุนักตัวนั้นเนี่ยเกียรติยศก็สูงอะไรก็สูงมีตําแหน่งมียอดมีอะไรแต่ถามว่าเมื่อปฏิสนธิจํากัดเป็นอริยทุกขาปฏิสนธิการรับสภาพการซึมทราบการได้เสวยวิบากมีเขตจํากัดหมดเลยมีขีดจํากัดหมดเลยได้เห็นไม่เห็นได้ยินใช่ไหมได้ยินได้กลิน่นใช่ไหมได้กลิ่นได้ลิ้มได้ไหมได้อะไรเบ็ดเสร็หมดแต่ท้าวหน้าเกิดไม่เกิดนั่นแหละ นัผลโดยตรงมันไม่ได้โดยตรงมันเลยเลยมีข้อจํากัดเยอะทั้งๆที่เขาสร้างมาทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะไรวิบัติอะไรวิบัตเอาอะไรบ้างอะไรวิบัติคติวิบัติอุปธิวิบัติประโยค้าวิบัติหรือการลวิบัติสุนัขนะใช่ไปเกิดในตระกูลดีๆทั้งหลายจะคติเลยวิบัติแล้วคติวิบัติเขาได้ทุกคติภูมิ พอไปอยู่ในทุกขติภูมิเนี่ยสมบัติที่มันอยู่ในสุขติภูมิก็เลยก็ได้แต่แต่ขนาดได้อย่างนั้นยังน้อมไปกินออจิล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> เลี้ยงแล้วไม่เชื่องก็ว่างั้นเลี้ยงแล้วไม่เชื่อง <c oughs> เขา ย, ยังน้อมไปที่จะเป็นเห็นอย่างนั้นเลย <c oughs> เป็นอย่างนั้นจริงจริงเขาเห็น <c oughs> โอจิล่าเนี่ยเยังน้อมที่จะไปอยงนั้นเลี้ยงดีขนาดไหนอ่ะนักเข้าน่ะเข้าเห็นสุนัขด้วยกันเองเนี่ยเดี๋ยวไปติดสัตว์ได้อีกแล้ว วิ่งไปหากันได้ก็แล้วเขาไม่ใช่จะไปสนใจสิ่งสวยๆงามๆอะไรนะเนี่ยเด็กก็วิ่งไปถ้าถึงหน้าก็ติดถึงอะไรต่ า, างเเอเอนั่นแหละขนาดวงคนก็ไปทํากรรมใหญ่เลยตอนเขาบังเอไปใหญ่เลยตอนนี้ห้ามเขาไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้องมีอีกลายหนึ่งเนะี่ยเป็นตัวเมียเขาไว้ไปเลี้ยงเขาไว้พอไปไปมาหมดไม่แอบไปอีตาไหนแล้ไปติดกับตัวผู้เขาโอยเอะมากเข้าไปในบ้านมาเอามีดฟัน ไอ้ฟันในฟันตรงตรงตรงที่ต่อโอ้โหทุรนทุลายไปในทำกรรมกันได้ยันี่มันเคยมีบาปไอมีมีเรื่องออกข่าวออกข่าวขึ้นมาเแล้วก็อ้คือยว่มากเลี้ยงดีไม่รักดีก <c oughs> <c oughs> ็คือเจ้าของโกรธมากว่าเอ๊ยไม่อุตส่าห์เลี้ยงให้อย่างดี ให้อยู่บนตึกลามบ้านช่องอย่างดีเลี้ยงอย่างดีให้กินอาหารอย่างดีอยู่อย่างดีเมื่อเสร็จเขบอกไม่รักดีซะนี่วะเงี้ยจะจะบอกไอ้สุนัขมันประโยคนเขาวิบัติได้ไหมเนี่ยมันเพี้ยนผิดมันเลยโดนอกุศลกรรมส่งบท <c oughs> ก็ไปตรึกกันมาไม่อยู่คนมิจฉาทิฏฐิซะย่างไงนะไม่เขาา้เขาใจพิจารณางี้ก็เห็นเออเนี่ยออแต่ที่แน่ๆเ น, น, นี่ยแน่ๆที่พูดพูดมาเนี่ย พ้นกันได้ยังในี่กเราเนี่ยเราไม่ใช่สนุกสนานนี่ยเล่าไปโอน้นที่สุดของโลกุตระเนี่ยไม่สามารถที่จะเกิดตถารรมนะได้เลยแม้ที่เป็นกามชาวนะสมมุติว่าอา้าวถ้าหากเป็นกามชาวนะจริงอากุศลและจิตสอมหากุศลมหากิริย า, ยานี้เป็นต้นเนี่ยนะหาสิตุ ป, ป า, างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็ น, เ, เ, เ, ป น, เ, ปนเป็นกามชาวนะเกิดนี่แหละ บางกรณีแตทาลำน้ไม่เกิดเช่นในขณะไหนในในขณะที่ไปรับมหาคตะหรือรับบัญญัติเนี่ยเป็นอารมณ์หมดสิทธ์เลยแตทาลำน้ำไม่เกิดใช่ไหมในขณะที่รับมหาคตาเอ้าทำไมรับมหาคตาแล้วแตทาลำน้ำเกิดไม่ได้มีคำตอบได้ไหมตรงเนี้ไม่ใช่แตทาลำน้เป็นอุเบกขาก็มีนี่เป็นอุเบกขาก็มีที่จริงที่จริงในสูตรของการอธิบายแตทาลำน้ำเขาอธิบายแบบนี้เนี่ย ในการในการอธิบายตถากรรมนะเนี่ยโดยทั่วทั่วไปจะมีสูตรในการบรรยายอยู่หรือมีหลักฐานในการบรรยายอยู่ก็คือว่าตถากรรมนะจิตเนี่ยอุปมาเด็กใช่ไหมชาวนาเนี่ยเหมือนกับพ่อแม่เด็กกับพ่อแม่เด็กเล็กๆที่กาลังหัดเดินใหม่ๆหรือว่างั้นพ่อแม่สามารถที่จะเดินไปตลาดได้ไปไล่ไปนาได้ใกล้ๆได้เด็กถ้าจะเดินก็เดินวนอยู่ได้แค่ในบ้านถ้าจะตามพ่อแม่ก็ตามได้ในขณะที่พ่อแม่เดินอยู่ใกล้ๆเท่านั้นเอง ชั้นใดแต่ธาลัมนาก็อย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นในขณะที่ชาวนาเนี่ยนะมีการมรรมเป็นอารมณ์อยู่ในขณะนั้นแต่ธาลัมนาก็เกิดหรือในขณะที่ไอ้ชาวนะจิตมีปัตมะแต่ทำเป็นอารมณ์อยู่อย่นนางเงี้ยแต่ธ า, ารัมนาก็เกิดนนแต่ถ้าในขณะที่ชาวนะนั้นไปมีบรรัญญัติเป็นอารมณ์มีมากกรตะเป็นอารมณ์แปลว่าไกลแล้วหรือถ้าหาไปเกิดในการรูปภูมิอรูปภูมิยิ่งไกลใหญ่ใช่ไหมแต่ธ า, ารมนาก็ไม่สามารถที่จะเดิน ตามพ่อแม่ไปได้ชั้นใดว่า ง, งี้ยลักษณะอย่างนั้นทีนี้ในขณะที่รับโลกุตระทำเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นวิถีจิตที่สา ม, มารถรับโลกรุตระทำเป็นอารมณ์ได้เพื่อจำได้ไหมตอนเนี้จิตดวงไหนบ้างอ่ะจะเรียนวิถีกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่จ่าแล้วกําลังเรียนวิถีเนี่ยมหากุศลญาณสัมปยุตเตจิต4ี่รับนิพพานเป็นอารมณ์รับโลกุตระรมเป็นอารมณ์ได้ไหมได้ไม่ได้มหากุศลญาณสัมปยุตมโนวทวาราวชนะมหากุศลญญาณสัมปยุต กุศลปิญญาเนี่ยนีของพระโสดาบันบุคคลสกาธานาคาพระละก็นเนี่ยของพระนาคาเนี่ยสามารถที่จะรับโลกรุตระธรรมเป็นอารมณ์ได้มหากริยาญาณสัมปยุทธ์มโนทวาราวชนะกริยาปัญญาเนี่ยจิตตอนนี้รับนิพพานเป็นอารมณ์ได้รับรับโลกรุตระธรรมเป็นอารมณ์ได้ในขณะใ ด, ดามีมรรคสี่ผล4ี่นิพพานหนึ่งเป็นอารมณ์ในขณะนั้นตทารรมะจิตไม่ไม่เกิดในโรคภูมิและโรคภูมิก็ชัดอยู่แล้วตทาธรรมะเนี่ย ถามว่าไม่เกิดในภพมาภูมิเพราะไม่มีการมาผวังขจิตไปทํากิจในภูมินั้นด้วยจึงไม่สามารถจะเกิดตถาธรรมนะได้ส่วนรูปผวังจะทํากิจของผวังและรูปผวังเขาก็จะทํากิจของอรูป์วังได้ก็จริงทั้งเก้าวดวงไม่สามารถจะทําทำพัทำทำทำนทําตถาธรรมนะกิจได้แต่ถ า, ถามบอกว่าอีกมุมหนึง่งถ้าจะดูตามหลักของวิถีอดูยังไงเขาดูบอกว่า รูปาวาจะเลาวิบากห้าอโรูปาวาจะเลาวิบากสี่มองเห็นไหมเก้าดวงนี่คือมหากขตาวิบาเก้าเนี่ยเขาทําทําผวังขกิจของเขาในภูมินั้นๆใช่ไหมแปลว่าตาธารมณะนี่เขาทํากิจผวังก็ได้ทํากิจตทารมนะก็ได้ก็เฉพาะในกามภูมิเด้นนั้นถ้าจะไปทําอย่างนั้นไปล้าเส้นเขาแล้วและอย่างถ้าดูอีกทีก็คือตาารมณะนี่ใช่วิบากของใช่วิบากของกาเป็นวิบากของของกากาา กรมรมาทำหรือรูปธรรมเป็นวิบากของกรรมธรรมนี้เป็นอย่างนั้นถ้าถามบอกว่าเอาแล้วสันติรณนาจิสามะทําไมจึงเกิดในพรหมภูมิได้ในโลกภูมิได้อถ้าถามอย่างงี้อ่ะเอาในเมื่อตาธาธรรมะเกิดไม่ได้ใช่ไหมทําไมสันติรณจิสามจึงไปเกิดได้ถ้าไปถามอย่างนี้บางคน oh, โอ้โหตายแล้วเหงื่อแตกอีกแล้วเหงื่อตกอีกแล้วงอกออกเป็นเม ت, ็ดเม็ดเม็ดเม็ดเลยนจะต่อว่าไง เขาไปทํากิจอะไรกิจสันตะิรณะซึ่งในรูปเนี่ยเขาจะมี ม, มีรู้เขารับรู้ารมณ์ัศธาลงาได้สอย่างเพ้นก็ต้องมีสันตะิรณะเขาไปทําหน้าที่เขาทํ า, ทา ห, นทหน้าที่ผวังด้วยเปล่าได้ไหมไม่ได้ไปทําหน้าที่ผวังไม่ได้ทําหน้าที่ตาธาคือปัญหาคืออย่างนี้ถ้าบอกให้ขาดต้องบอกคําว่า สันตีรณจิตสามเขาไปทําหน้าที่สันตีรณกิจคือการไต่สวนอารมณ์จริงแต่เขาไม่ได้ไปทําหน้าที่ผวังเพราะเขาไม่ได้เป็นมูลผวังของรูปปภรมเขาเห็น ไ, ไหมถ้าไปก็ต้องไปในฐานะไม่ไปทําหน้าที่ผวังคือเขามีจิตประจําพบประจําชาติอยู่แล้วนี่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นในอัฏฐสังคยานาของพอม่าที่พูดถึงปีติติกะจึงเรียกแต่ธรรมนะ จิตว่าเป็นมูลผวังจิตท่านเรียกอย่างนั้นนะคมภีวิถีมัญชลีพูดถึงตถาลัมน้าจิตเขาไว้ในในในในปัญจปกรอัตถกถาฉบับอัตถาสังคยาของพระมาะ่าที่พูดถึงตอนตีเอปีตีติกะท่านเรียกบอกว่าตถาลมน้าจิตเป็นมูลผวังจิตในตรงนั้นแหะนิดหน่อยคือท่านเรียกอย่างนั้นเลยถ้าในคมภีวิถีมัญชลีน่ยพูดถึงตถาลัมน้าเข้าไว้ดังนี้บอกว่าหลังอัปนาชาวนาตะตถาก็เกิดไม่ได้ หลังอภิญญาชวนะตถารำหนาจิตก็เกิดไม่ได้เห็นไหมบอกว่าเอ๊ะถ้าอปนาโฉนะเกิดแล้วเนี่ยแต่อปนาโวนะายี่หกเกิดปุ๊บเนี่ยจะเป็นอนันตระปัจจัยแตถาลำหน้าไม่ได้หรืออภิญญาชวนะเกิดหลังแตอภิญญาชวนะก็ไม่มีตทารำหนาจิตเกิดหลังโลกุตระโฉนะตทารำหนาจิตก็ไม่เกิดหลังชวนะที่รับเอาบัญญัติเป็นอารมณ์แตถารำหนจิตก็ไม่เกิดหรือหลังที่ชวนะจิตไปรับมหากตะเป็นอารมณ์แตทารำหนาจิตก็ไม่เกิดหรือ ในขณะที่ชาวนะจิตไปเอานิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยตาทารมณ์จิตก็ไม่เกิดนี่เป็นอย่างนี้นะถ้าในปฏิสัมมุบาร์วิพังในวิพังกระปกรเนี่ยนะกล่าวไว้ในอัตถกถาพูดถึงตาทารมนะที่เกิดไม่ได้ในฐานต่างๆเช่นว่าเมื่อชาวนะเอาชื่อของโคตรภูเป็นอารมณ์พอสุดชาวนะนั้นแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดตทารมน์ไม่ได้เช่นว่าอย่างนี้โคตรภูเนี่ยคือเป็นตัวอะไรเป็นตัววิปัญญาญใช่ไหมในขณะที่วิถีจิตไปรับ ไปพิจารณาในขณะนั้นหลังตรงนั้นน่ยไม่ได้หรือว่าการมัชวนะที่เอาบัญญัติเป็นอารมณ์ดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยแกิตทารำหน้าจิตไม่ได้ทีนี้ถ้าหลังจากวิปัสสนาสตะชวนะดับลงแล้วเป็นปัจจัยเกิดตทารำหน้ไม่ได้นี่คำพูดตรงนี้เป็นอัตถะเนอะอัตถาของปฏิจจสมบัติพังแต่ขาดอยู่ข้องขดาดพอบาลีในคัมภีร์ประธานถ้าดูประธานเนี่ยตอนนี้ย้อนบาลีให้ชี้ฟังหน่อยเนี่ย รูเปสัตเทคันเท ร, เ, รเสรือเพิ่มมาแล้วโพธเพวัดไม่ได้เลยก็บอกว่างี้คือหลังจากที่บอกว่าในวิปัสสนาเนี่ยนะในคำพีปฐานบาลีในปฐานบาลีอ่ะเกี่ยวกันในเรื่องบอกว่าพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโภชภะและหัตยวัตถุโดยความเป็นอนิจโตโดยความไม่เที่ยงทุกขโตโดยความเป็นทุก อนัตตาโตโดยความเป็นอนัตตาวิปัสสติคือวิปัสนาเกิดขึ้นกุศลากุสเลนิรุตเทวิปากเกตธารำพนาตาอุปัชตินี่นแปลเองนะเพราะเป็นบาลีมาเนี่ยเดาเอาแต่เอาใจความได้ฉันล่วงทำก็คือบอกว่ากุศลละจิตที่ปารบหรือวิปัสนาที่ปารบเกิดขึ้นมาโดยความพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรรมรมณแล้วก็วัตถุเหล่านั้น ด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานั้นน่ะลักษณะเช่นนั้นน่ะต่อมาตาทารมณนาอุปัชติคือตาทารมณนาจิตย่อมเกิดเห็นไหมว่าวิถีจิตที่เป็นตาทารมนาเนี่ยมีตาทารมนาเนี่ยเป็นวิปัสนาวิถีได้นี่ในประธานเลยนะในคมภีประธานแต่ไม่ใช่เป็นไปรู้ไปรู้ปรมัตดเลยนะในขณะนั้นเนี่ยข้อ <c oughs> ตาทารมนาเกิดได้แต่ในคัมภีร์อัตถกถาบอกว่า หลังจากวิปัสนาสตะเจ้าหน้าดับลงแล้วเป็นปัจจัยเกิดแต่ธาลมามนะไม่ได้แต่ขัดกรมีประถานดีเลยขัดประฐานสักหะถ้าหากว่าในปราชิกันท่านแสดงหลักเทียบเคียงไว้สี่อย่างนะสุตตะอุทษาพระบาลีนี่ในยะที่ควรถือเอาใช่ไหมท่านบอยพุทธพธสดุตานุโลมิเทศพุทธาพิบายอุเทศอันนี้เป็นอัตถถาเป็นของ อจาออจร า, าจรย์โออาจารย์ว่าคำของพระอัจฉริยอาจารย์ทั้งหลายอัตโนโมติคําของพระดีกาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำของพระอัจฉริยอาจารย์เป็นค่าศึกต่อพระ บ, รบาลีเหมือนกันเป็นค่าศึกต่อพระบาลีเช่นนี้ก็ควรจะถือเอาพระบาลีพุทธพจน์น่ยที่มีค่าหนุเหนือกว่าทีนี้บอกว่าเพราะพระอัจฉริยอาจารย์เป็นเพียงภาษาวกรุ่นหลังดังนั้นอาจจะมีความมองพุทธพจน์ไปคนละประเด็นอะไรต่างๆนี้เป็นต้นท่านว่าองนั้น ดังนั้นจึงไม่ควรถือเอาเป็นประมาณนี่ในหลักของการเทียบเคียงศึกษาเขาจะเทียบเคียงกันอย่างนี้แต่ถ้าไม่ขัดส่งเสริมพุทธพจน์แล้วรับเ่อทันทีเหมือนแต่คำดีกาก็เหมือนกันนี่เป็นงั้นทํำไมไม่มีแหรอไม่มันะไม่เจมันไม่ใช่อย่างงั้นปัญหาคือว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยการตรวจสูตรเนี่ยการตรวจพระธรรมในรุ่นหลังเนี่ย อาจจะตรวจไม่หมดใช่ไหมคนเราต้องจำทั้งแปดหมื่นสี่พันยคิดดูเหรอคือคือเข้าใจเลยแหละใช่คือคือมีอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่ต้องอะไรหรอกเราดูอย่างในสติประฐานี่ที่อาจารย์กับลูกศิษย์ใช่ไหม <c oughs> ก็ขนาดว่ามักเป็นมักผสมกับมักนั่นเป็น เ, เป็นมักเบื้องต้นเน่ยอาจารย์จนต้องไปตรวจทวนเอ้า เออเราผิดจริงๆเนี่ยต้องไปทวนทั้งหมดเลยนะทวนสูตรทั้งหมดเลยไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วอย่างเราก็หมดสิทธิ์ตามอย่างเดียว <S <S หลังจากวุฒาคามินีวิปัสนาดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดต่ธาตุรำหนะไม่ได้หลังจากสัตตมชวโณที่ปรากฏอยู่ในรูปาวเจ้ารูปาวว่าเป็นลมดับไปแล้วก็เป็นปัจจัยแต่ธาตุรำหน้าไม่ได้อันนี้ในคัมภีร์หลังจากเนยตามิชตาอากุศลสัตตมชวโณดับลงแล้วก็เป็นปัจจัยเกิดต่ธาตุรำหน้าไม่ได้เข้าใจคําว่าเนียตามไหม มิัตะเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจคำนี้ไหมนเนยตามิชตะเนยตาวิชาทิธิหลังจากสัมมาตาเวนะดับลงแล้วก็เป็นปัจัยเกิดต่ทานลำน้าไม่ได้หลังจากสัตมมเฉวนะที่เป็นโลกุตระดับลงแล้วเป็นปัจจัยเกิดต่ทานลำน้าไม่ได้นี่เป็นคำภีพังอัตกถาพม่านะฉบับสังคยา้างที่6กเนีย่ยที่จะกล่าวไว้เนี่ยอาจารย์บอกบางจุดนี่ก็ก็น่าคิดหรืออย่างกิริยาสัมยุญเฉวนะที่เอาปฏิสัมพิา ม, มากเป็น ล, ลมก็เป็นปัจจัยเกิด แตทารมณน่าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ดูดูในเรื่องของแตทารมณน่าจิตดูแตทารมณน่าจิตโดยสรุปจริงๆแล้วแตะทารมณน่าเนี่ยโดยองค์คุณที่เราศึกษากันก็โดยย่อเนี่ยสามชนิดมีอะไรนะกามบุคคลกามะกาม ะ, กามะอะไรกามอารมณ์กามเชวนะง่ายดีเราจํากันแค่นั้นนะบอกทําไมต้องเอาแค่นี้เราบอกแค่นี้ก็เพียงบ่ก็ยมแล้วทำอะไรก็นี้งงหมดแล้วเหมือนกัน ต่ำมากไม่ก็ได้อ่านไปมางงอยู่ในหนูนี่มีเข้าใจนะอ่าต่อไปต่อจากครั้งที่แล้วเชื่อมโยงหน้าที่หกจากขุทวาริกะอติมันตารมิถีที่เป็นตถารมณะแยกออกเป็นสองวิถีที่เป็นจากขุทวาริกะอติมันตารมิถีชาวนาเวลาไม่มีอาคารดุกับผวังก็แยกออกเป็นสองวิถีเลยสองประเภทจากขุทวาริกะอติมันตารมิถีชาวนาเวลามีอคารตุกับผวังอันนี้ก็ เป็นประเภทหนึ่งตรงนี้ไปดูที่ท่านแยกค่าว่าถ้าจากขูทวาริกะอติมหันตารมวิถีตถาธรรมนาวาล่าเนี่ยที่เป็นการมชวนะ27เว้นโทสะมูลจิต2องดูดูตัวอย่างเปรียบเทียบเลยนะการมชวนะ27เว้นโทสะมูลจิต2อันนั้นเป็นอะไรวิถีที่เขาเป็นไงกามชาวนะ27เว้นโทสะสอการมาพวังสิบจ้ะนะการมาโพวังสิบอารมณ์3ามชนิดตามสมควร กามชนายิบเเว้นโทสาสองตทารรมะจิต11เพราะอารมณ์ได้3ชนิดตทาธรรมะจิตก็ได้11เนี่ยนะนะทั้งนี้เวลาพูดเวลาเวลาว่าว่างไงเนี่ยจากขุทวาริกะอติมหันตารมวิถีดูหน้าหก่อนนะหน้าหก่อนนะีตทารมมะวาระที่อะไรที่มีกามชนาย7ิบเเว้นโทสามูลจิตสองนี่ประเภทที่หนึ่งใช่แล้วก็จากขุทวาริกะอติ มานตารมิถีตทารรมนาวาะที่มีโทสะชาวนาสองนี่เป็นประเภทที่สองนี่เป็นประเภทที่สองนะในประเภทที่สองเนี่ยที่เป็นโทสะชาวนาเนี่ยนะรับอารมณ์กี่ชนิดกามภวังสิบใช่ไหมตถารรมนะเป็นอุเบกขาอารมณ์รับสองชนิดเออมีอารมณ์2ชนิดให้สังเกต ด, ดูนะพอแปลงสภาพของอารมณ์จากอารมณ์3าชนิดเหลืออารมณ์สชนิดเนี่ยตถารรมนาก็ลดน้อยไปด้วย จากสิบเอดอาออก 5, ห้าเหลือหกในในหกนั้นรนะับอารมณ์ไม่ดีสะดวงหนึ่งรับอารมณ์ดีสะกห้ามองเห็นใช่ไหมนั่นแหละคือสองชนิดตรงเนี้ยส่วนการไปจําแนกโดยวิถีโดยบุคคลโดยโดยภูมิโดยองค์ธรรมโดยอารมณ์โดยวัตถุนั้นก็ก็ไม่น่าจะยากตรงนั้นไม่น่าจะยากมองไปมองมาเหมือนยากก็งั้นนั่นเอทีนี้ในวิถี ว่าวิถีที่สองจากขูทวาริกะอติมหานตารมิถีชาวนาวลไม่มีอาคันดูกะภวังที่มีกามาชาวนายี่ิบเจ็ดเกิดในโรคภพภูมิสิบห้าในวิถีที่สามดูเลยนะเขาทําเป็นวิถีรวมเข้าไว้ก่อนแล้วก็มาแยกอีกทีรวมไว้ก่อนแล้วก็มาแยกอีกทีในวิถีที่ถ้ารวมก็คือว่าปัญจโวกาลภวังสิบเอ็ดนิวาไปแล้วโมวานเนี่ย แล้วก็กาเมาชานะยี่บเก้าลงพระวังสิบเอ็ดตามเดิมนั่นยังไม่แยกถ้าในเล่มเก่าก็ยังเป็นแบบนี้นะทำได้แยกครัว่าแล้วก็ามาแยกประเภทออกเป็นสองประเภทเป็นจากขูทวาริกะอติมหันตารมวิถีชาวนาวระที่ไม่มีอาคารตุกับพวังที่มีกามาชานายี่สิบเ็ดเกิดในรู ป, ปรภูมิสิบห้าวิธีท่องก็ท่องอย่างนี้นะจากขูทวาริกะอติมหันตารมวิถี ชาวนาวระไม่มีอาคารตุกัดผวังที่มีการมาชาวนายเจ็ดเว้นโทสามูลจิตสองเกิดในรูปภูมิสิบห้าเนี่ยได้อย่างเงี้ยวิธีทองที้ก็จําไว้เลยต้องแบบเนี้ยถ้าบอกว่าอย่างนี้คือรูปภูมิสิบห้าให้สังเกตตัวนะมีคนคนหนึ่งจะไปเขียนวิถีเนี่ยพอไปเขียนบอกว่าใส่รูปผวังผวังมูลผวังเดิมผวังหน้าและผวังหลังใส่รูปผวังห้า แล้วก็มาเป็นอติตาผวังผวังกจรันนะผวังคู่ประเฉทถ้าปัญจทวารลวชนะแล้วไปใส่คานะวิญญาณจบเลยจบไหมเนี่ยปัญจทวารลวชนะในรูปภูมิไม่เป็นอนันตระปัจจัยแก่คานะวิญญาณเพราะอะไรหมาหนุจตเพราะอะไรอ่ะในรูปภูมิเนี่ยคานะวิญญาณเกิดได้ไหมเพราะรูปภูมิไม่มีคานะภาษาใดเนี่ย ขานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณไม่มีกับพรปะปรมโมดังนั้นท่านในวิถีเนี่ยไม่ได้เกิดได้ทั้งห้าวิถีนะเก็ได้สองวิธีเนทะ่านั้นเองสองวิงวถีตนี้แยกให้ออกถ้าแยกไม่ออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยุ่งเลยตรงเนี้ยบางคนเนะ่ยเขียนไปเจอเขาหลอกหลอกเขาไว้ตอบใหญ่เลยเ <laughs> ใช่ไหมก็บอกว่าดี๋ยวไปคิดนั้นถ้าในวิถีเนี่ยไม่ได้ ได้เฉพาะจากขุญญาณแล้วก็โสตวิญญาณเพราะว่ารูปภพไม่เห็นกับเห็นโทษได้ซ้ํำไปโทษของขานวิญญาณชิวหาวิญญาณแล้วก็กายะวิญญาณที่จริงอย่างเราเราเนี่ยนะถ้ามองไปมองมาเนี่ยานาประสาทชิวหาประสาทกายะประสาทเนี่ยน่าจะมีโทษมากกว่าได้ซ้าไปใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะโดูๆแล้วก็คือว่าบางทีเป็นปัจจัยเกิดบาปมากกว่าบุญนึ่ง มีจะหมูกไว้เพื่อให้บาปวิ่งเล่นทั้งนั้นเนี่ยลยองคิดดูทีบางทีละตายทางคานนะทวารวิถีอะตายไปตกนรกเงี้ยเพราะไปบาปเกิดทั้งนั้นพอใกล้จะตายไปมีกลิ่นเหม็นเข้ามาโอ้ยกูตายแน่และมั <laughs> ม่งว่าไงบางคนเหม็นไปหมดแล้วตัวกูเนี่ยว่ัไงเลยบอกตายแน่ว่าไงใช่ไหมบงคนหายใจออกมาด่าเหม็นเนี่ยคนใกล้ตายก็ว่าบอกมีคนคนนึงเล่าให้ฟังเนี่ยเขนั่งรถไปเนี่ย ในขนาะขึ้นรถแท็กซี่ไป ค, คือคนคนนั้นเนี่ยเป็นอะไรเป็นโรคอิฐใกล้จะตายอยู่แล้วคือกลับมาเนี่ยกลับมาได้สี่วันมั่งตายนั่งรถทีนี้ก็ไขกระจกใช่ไหมไอ่รถไอ่รถไอ่รถก็ติดแอร์ติดอะไรเงี้ยจ้างรถเข้าไปก็ ค, คุยกันว่าเอ๊ะมันเหม็นอะไรน่ไปไกลเลยนะไปทั้งวันไปกลับเลยเนะี่ยเหม็นไม่เหออีกคนนั้นก็เหม็น คนนั้นก็ยังก็ไม่ว่าอะไรก็นึกแต่แค่เหม็นแต่กลับมาผลปรากฏกลับมาตายที่ไหนได้ข้างในเน่าหมดแล้วนี่คนเราเนี่ยเนี่ยเขาบอกโอ้โหกลัวเขาไปที่ไหนได้เป็นโรคเอดแต่ว่าเอทไม่ออกข้างนอกมันไม่ออกข้างนอกก็เหม็นหมดแล้วเนี่ยหนึกหนึกเดี๋ยจะถามพวกเราไม่รู้ใครกำลังจะตายก็นม่ร้นี่ยใช่ไหมบอกโอ้ มันไม่อยู่กับซากเน่าๆกันจริงๆเนี่ยนะเรืะนั้นพระเจ้าไม่เจอเจอสูตรเกี่ยวกันในเรื่องแบบนี้นะการการตรึกการพิจารณาพระธรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเลยเท่าที่สังเกตดูเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยนะในขณะที่เราศึกษาศึกษาไปบางทีมันรู้เนะี่ยแต่รู้กับการที่ไปตึกพิจารณาคนละเรื่องกันเลยนะ สมัยก่อนอู้เป็นคนที่จำอะไรดีมากแต่ถ้าความทุกข์เข้าถมเข้ามาพบเนี่ยเครียดได้ทั้งวันเนเอยกังวลอยู่นี่แหละแต่รู้เนยะแยกแยะออกอะไรเป็นอะไรได้ต่างๆเหล่านี้เนะี่ยแต่โอ้มันเป็นเกี่ยวกับการที่เราไม่ได้เพ่งพินิษนี่เองไม่ได้เพ่งพินิษนี่เองก็จะเป็นทั้งๆ ท, ท, ที่รู้แต่ว่าไม่ได้เพ่งพินิษให้ดีดังนั้นการศึกษาในยพยายาม พยายามพิจารณาแล้วก็เพ่งพินิษฐพระธรรมถึงบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะบอกว่าบางทีเนี่ยบางทีบอกไอ้คาว่ า, วามันเหมือนว่าถ้าเรารู้นะถ้าเรารู้ว่าเราเนี่ยแบกหิ้วถุงหนังนะนเจอหลายแห่งและในถุงนั้นมันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเนี่ยถ้าเรารู้อย่างนั้นจริงๆมันมีใครไหมที่ปรารถนาที่จะหิ้ว หรือถือถุงหนังอันนั้นเนะ่ะเที่ยวโชว์ไปแต่ว่าถามว่ารู้เข้าไปแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาเห็นไหมล่ะ ท, ที่ฟังนั่นเห็นไหมเห็นแล้วเห็นบ่อยไหมใชม่เห็นบ่อยไหมตรงนี้ยังไงบางทีเราฟังเราเข้าใจอะไรได้ง่ายแต่เราไม่ได้เอาไปเพียรพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆซักๆเห็นจนเป็นปกติหรัถ้าเห็นจนเป็นปกติแล้วตอนนี้เราจะเอืมละอาขันขันนี้จริง มันเหมือนบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเคยเกิดกับตัวเองนะมองอะไรปุ๊บในราคาเกิดได้เร็วมากเดี๋ยวนี้กันได้เร็วขึ้นนิดนิดไอ่จะไปบอกว่ามากเดี๋ยวจะไปหาว่าเ้ยเรานี่ไปเที่ยวโม่มันมันกันได้บ้างอะ่ะพอมองแล้วเนี่ยก็มันไม่มีจริงๆเราที่สามารถจะคุยคุยกับใครได้ก็เพราะเขามีคุณธรรมเอ่ยเอื้อนออกจากปาก ถ้าในปาาของปาของท่านตัวนั้นนะเนือวจีกรรมของท่านบุนนั้นหรือกายกรรมหรือมโนกรรมของท่านไม่ขับเคลื่อนวาจีกรรมออกมาหรือกายกรรมออกมาที่เป็นคุณธรรมออกมาแล้วบุคคลเช่นนั้นก็ไม่ควรเข้าใกล้ ย, ยังเด็ดขาดด้วยจ้ำไม่ไม่ควรไปเสพสมาคมให้มากถ้าจะเสพก็เสพให้ระวังให้ระวังตนอย่างดีงเลยนะเพราะว่า ไอการเสพคุ้นกับคนพานเนี่ยเราก็เราก็เสียหายอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นโทษอยู่แล้วแถมเรายังต้องไปได้ยินคถาหรือคนพูดการพร่ำพรรนาของคนพานพูดซะอีกลองคิดดูเดยมันจะทุกข์ปัญญามันทุกในขณะที่เราได้ยินเสียงเขาพูดทุกในขณะที่เห็นกิริยาการเขาเดินทุกในขณะที่เห็นวิธีคิดของเขาออกมาอะไรเงี้ยมากมายหมดมันทุกไปหมดน่ะนี่คือคือโทษของการอยู่ใกล้คนพานถ้าเราไปชื่นชม เราเป็นพานแล้วเราเป็นพานแล้วเห็นไหมถ้าเราตรวจสอบพิจารณาไม่ดีเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอุ้ยเนี่ยเราในบางทีบางครั้งเราก็มันชื่นชมก่อนที่เราจะชื่นชมพานเพราะอะไรชื่นชมรูม้ไหมเราเป็นพานแล้วเพราะภาล่าท ร, ร ม, มาเนี่ยมันได้แก่อกุสนะทำมอลามกอยู่ไหมองค์ทำ ม, มันได้แก่ ก, ก็อคุสนี่ยทำที่ทําบุคคให้เป็นพานเนี่ยเพราะทําไมพระพุทธเจ้าจึงห้ามไม่ให้ครบคนพานเนี่ย เพราะความเป็นพานในในตัวท่านบุญนั้นมันยังไม่ละได้เด็ดขาดใช่ไหมยังไม่ละได้ทีนี้ในกลุ่มของบุคคลที่กระแสจิตอ่อนในการที่สติสัมปชัญญะไม่ไม่ค่อยฝึกให้ดีเท่าไหร่เนี่ยจึงไม่ปรารถนาอยู่ใกล้คนพานเลยจะสมาทานว่าขอให้เข้าไปเจ้าอยากจะได้พบเจอคนพานอย่าได้อยู่ร่วมคนพานอย่าได้สมาคมกับคนพานอย่าได้เห็นคนพานอย่าได้ฟังคําพูดของคนพานเนะย ถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นโทษวะแต่ขนาดสมาทานแล้วขนาดนี้ยังได้ยินขนาดนี้ใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันทุกข์จริงนะทุกข์อย่างชนี้ตีบางคนถึงขนาดปลาดถนาวบอกอ้ยอย่าได้ครบสมาทานกับคนเช่นนี้อีกเลยเนี่ยบางเทียขนาดนั้นเลยเนะมันเห็นไงเห็นโทษของการที่เราบางทีเนี่ย คือคนลักษณะคนพานก็เห็นความล่วงเกินโดยเป็นความล่วงเกินเมื่อทําความล่วงเกินผู้อื่นแล้วก็ไม่ขอโทษนี่ลักษณะพานแท้เนี่ยเห็นความล่วงเกินโดยเป็นความล่วงเกินนะเมื่อคนอื่นทําความล่วงเกินเนี่ยก็อาฆาตก็โกรธก็แค้นก็ชิงชังนี่พานแท้เห็นไหมเห็นความล่วงเกินโดยโดยเป็นความล่งวงเกินเขาเห็นหมดเลย เมื่อทําความร่วงเกินผู้อื่นแล้วเนี่ยเขายิงเลยก็ไม่ขอโทษหรอกถ้าอย่างนี้ชัดแล้วมันชัดแล้วเคยเป็นไหมชีววิเคยเป็นไหยไหโอ้ยท้ายท้าเห็นความร่วงเกินโดยเป็นความร่วงเกินทําความร่วงเกินผู้อื่นแล้วเก็บเงียบถ้าคนอื่นทําความรุ่งเกินทนเองเลยถ้าเขาไม่ขอโทษไม่อะไรโอโอาฆาตโกรธบอกไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ถูกพวกนั้นน่ยลักษณะผ่านเป็นอย่างนี้นถ้าอยู่ใกล้บัณฑิต น, นี่อุ่นใจจริงๆเนียมันสุขใจอะ สุขใจมากนะถ้าพิจารณาเนี่ยเคยเคยผิดพลาดมาเยอะชีวิตทุกๆคนเนี่ยเนะโอวายานเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความผิดพลาดนี่บ่อยมากที่สุดเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนมากไงเพราะเกี่ยวข้องกับคนมากก็เอาแล้วบางทีเผือไปพูดเนี่ยเราเราเจตนาพูดอีกอย่างนะเอาพวกก็คนพานเนี่ยเขาตีได้หมดแหละเขาจะจับผิดเราทุกเรื่องนะฮะถ้นั่งนิ่งๆก็บ่อยแกล้งตำรวจไม่ไม่เป็นงี้นะ นะัพูดคุยเขานะั้นนี่ปั่นสีหน้าอะไรเงี้ยสารพัดเลยครับนึบกว่าโอ้ยนี่มันโทษอะไรโทษอยู่กล้ยกยคนพานอะไรล่ะกรรมอะไรนาอเไรนยทําไมเราสร้างเหตดปัจจัยโอ้ดีแต่โทษของการเกิดเขาจะวอกอะไรนะชาติปีทุกขาเนี่เนี่ยเกิดเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดแก่เจ็บตายวิบัติเราะโสกกาลริเทวทุกขโทนะสาวุปายาตนั้นมาจะเกิดเนี ย, ยนี่แหละคือเกิดว่างั้นน่ะ นี่ก็คือโทษทังการเกิดพระองค์ให้ใ ห, ให้ให้พิจ า, ารณาลักษณะเช่นนี้ให้เวลาศึกษาในเรื่องของวิถีเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดขึ้นจะเริ่มเห็นชัดถ้าดึงกรรมมาเกี่ยวข้องด้วยนะใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยถ้าไปดึงมาถ้วกลัวมันจะมากเกินไป <c oughs> ก็เลยต้องเออลากให้ดูวิถีก่อนถ้าไปดึงกรรมมาสกักรรมเกี่ยวข้องกัา อ, อีกตอนนี้ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวตรวจสอบเรื่องกรรมกันนีกเอาสูตรต่างๆมาเทียบเคียงก็นอเห็นชัดเลยตอนนี้ นี่เป็นอย่างนี้ถ้าศึกษาอย่างนี้ไม่ได้เน้นเรื่องเรื่องสอบนะเน้นความเข้าใจพระธรรมนะถ้าเน้นเรื่องสอบไม่ยากเลยแนะโดยเมื่อไหร่สอบก็ได้ไม่ยากแต่ว่าเอ้เราศึกษายังไงที่จะมีความเข้าใจพระธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วจะสามารถเอาไปตรวจสอบได้ใช่ไหมพิจารณาพระธรรมได้ก็อย่างกรณีอย่างเนี้ยจากขุทวาริกาตีมหันตรวิตรตยตารามนาวาระเนี่ยที่เป็นชาวนาวาระ ยี่ิบเจ็เว้นโทษามูลจิตสองที่เป็นโทษาชาวนะเนี่ยในสองประเภทเนี่ยก็ที่ท่านท่านแยกอันนั้นผ่านมาส่วนในวิถีที่สองที่กําลังดูกันอยู่นี่ที่เป็นกามาชาวนะยีิบเจ็ดเกิดในรู ป, ปรภูมิถ้ากามาชาวนะยี่บเจ็ดนี่ก็ไปตามดูแล้วได้แก่อะไรเว้นโทษาสองใช่ไหมอกุศลสิบเท่าไรอากุศลสิบสี่เว้นโทษา <Vent> osa, ใช่ไหมเว้นโทสาออกไป เพราะว่าในรู ป, ปรภูมิในจํากัดทันทีเลยเนียรูปเบาทิร ะ, ว, ะรวิบากหาเนี่ยโทสะเชวหน้าจะไม่เกิดกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ทีนี้ถ้าด้านบุคคลเนี่ยให้สังเกต ด, ดูทีเนี่ยถ้าด้านบุคคลเนี่ยทุกคติเหตุตุกับบุคลบบคลหมดสิทธิ์สุขเติเหตุตกับบุคคลหมดสิทธิ์ทวิเหตุุกับบุคคลก็หมดสิทธิ์หมดเลยเริ่มตั้งแต่ติเหตุกับปุตุชนโสดาสกาธาอนาคาพระอรหันต์ได้ด้วยเพราะมีมหากิริยาเห็นไหมบุคคลห้าจะมาทันทีหนไหม กรารมชานะยนะี่บเจ็ดนั่นเป็นการกล่าวโดยรวมก็ว่าอารมณ์สามชนิดนั้นก็ไม่ได้จํากัดอยู่แล้วในเรื่องของอารมณ์บางคนบอกอ๋อโทษาชานะไม่มีแล้วอารมณ์สามชนิดมาได้ไงซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยเนะี่ยไม่เกี่ยวกันเลยในที่นี้รับปร ม, มันอ๋อวิถีทางปัญจังไงทางปัญจทวารและวิถีนี่จะไม่รับบัญญัติหรออ๋อวิถีปกติเป็นอารมณ์ที่แรงอ่ะวิศยาปติในคือ รูปารมณ์ัทธารมที่แรงมากแรงจนถึงทำให้จิตเกิดได้กี่อย่างกี่อย่างไม่ครบในนี้จริงๆจะทำให้เจ็ดอย่างเลยแต่มันเกิดเหตุขัดข้องเกิดเหตุขัดข้องแท้จริงอารมณ์เหลืออยู่สองใช่ไหมสองขนาจิตอ า, อารมณ์เหลืออยู่สองขนาจิตถึงจะดับไปแต่เหลือแล้วก็พอได้หกอย่างใช่ไหมฉะนั้นอารมณ์ยังเหลืออยู่แต่ว่าก็า อเอางี้ถามอารมณ์ข้างหลังยอมสุรีไม่เห็นเนี่ยไม่รับน่มันอยู่ตรงไห น, นอารมณ์นี่ยมันก็เป็นไปตามสภาวะของเขาใครจะรับหรือไม่รับรับครึ่งเดียวไม่ครึ่งเดียวก็เป็นเรื่องใช่ไหมในวิถีจิตเนี้ยถ้าบอกว่าอาติมหันตารมวิถีวิสยปวติประเภทนี้เขาจะเป็นปัจจัยให้กับวิถีจิตเกิดได้เจ็ดอย่างอันนี้เหตุขัดข้อง เหตุขัดข้องก็คือว่าอารมณ์เหลืออยู่ถามเมื่ออารมณ์เหลืออยู่สองขนาดจิตนั้นน่ะเขาจะเป็นปัจจัยให้อะไรเกิดหรื <aquell> ก็ไม่สามารถเป็นปัจจัยให้การวิถีจิตของบุคคลนั้นเกิดได้อีกเลยเพราะถ้าจะไปเกิดเป็นชาวนะต่อซึ่งก็เป็นไปไม่ได้สัตมรชาชวนะ น, นี่ programmed. มีเจดขณะใช่ไหมในการวิถีในในชวนะในในวิถีเหล่านี้อย่างมากเกามีแค่นี้ เพราะชาวนะดวงที่เจ็ดก็ต้องเป็นปัจัยเกิดตถารัมนะหรือผวังหรืออคันดุกะผวังทีนี้มันไม่ได้เหตุขัดข้องหมดเลยอะมองออกใช่ไหมเหตุขัดข้องก็ อ, อะไรนะอ๋อก็ต้องไปอสองขณะจิตถึงเวลาก็ดับของเขาอารมณ์เยอะแยะหมดนะที่ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ก็ดับไปตามสภาวะของเขาว่าโดยภูมิคือรูปภูมิสิบห้าใช่ไหม บางคนเห็นวิถีจิตเกิดในรู ป, ปรภูมิบอกว่าวิถีจิตนี้รับอารมณ์อะไรเหม่ไลา ย, ยาวเลยก็บางนนันวิถีจิตรับอารมณ์ที่เป็นบัญญัติมหาคต่าไปแล้วผิดใหญ่เลยเดี๋ยวนีผ้ผิดไหมผิดไม่ผิดอันนี้เขารับอะไรเนี่ยรับรูปอารมณ์สามชนิดใช่ที่เป็นอติอิทาอิทธามชตาและนิถาเท่านั้นแหละรับรูปอารมณ์รับรูปแล้วนี่แหละรูปพวางังห้าต่างหาใช่ไหมรับ บัญญัติกรรมมณีมิตที่เกี่ยวกับกับศีลเป็นต้นมองออกใช่ไหมตรงนี้หนะึ่งก็ก็แยกแยกกันไปแต่จริงถ้าจะแยกอย่างนี้ก็ได้เช่นปฐมฌานตุติยฌานตติยฌานเยอะไหมอารมณ์ของเขาต่างกันเยอะอันนี้มันรูปรวังฮะอย่างรูปเปลาจะละวิบากห้าละอารมณ์เท่าไหร่เออรูปเปลาจะลปะปฐมฌานวิบากหนึ่งละอารมณ์เท่าไหร่ รับกสินสิบอสุภาสิบโกดถาอ า, าะนาปณะปิยามานาทุกขิตัาสุ ข, ขิตาสัตใช่ไหมอารมณ์ยี่ห้าอย่างนี้เป็นตน้นก็ต้องแยกกันไปทูติยาชานตัดติยาชาน ย, ยาตุติยชานปัญญบัชานก็ไปดูในรายละเอียดนะตรงนั้นนะก็คงจะไม่ไล่ในรายละเอียดอะไรมากมายถ้า ง, งั้นก็เป็นที่ขณิกายได้ยุ่งนิดนึงยาวส่วนโทษะเชวนะไม่มีอาคารตุกขาพระวงังนี้ก็รับอติอิทารมณ ที่เป็นอติถารลมแต่ไม่มีอาคารดุกาผวังเพราะว่าเป็นกามอุเบขาผวังเป็นมูลผวังอยู่แล้วก็ไม่ไม่มีปัญหาในการที่เขาจะต้องมารับนะไม่มีปัญหาในการที่จะรับเลยนี่เป็นอย่างนั้นอภิการต่อมาเกี่ยวในเรื่องของภพภูมิเนี่ยของบุคคลเนี่ยตรงนี้ยถ้าโทษาเชลนะโดยโดยโดยจุดใหญ่ของเขาก็เกิดได้กี่บุคคลเนี่ยโทสาเชาวนะเนี่ย ทุกขติได้สุขติได้เนี่ยเราดูตัวปฏิสนที่เข้าด้วยเนี่ยดูการว่าวางเปรียบเทียบเลยเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นบางทีมัวจะไปคิดโทรศัพท์ชาวนาเพลินเนี่ยนะแต่ไปถูกจํากัดด้วยตัวปฏิสนที่ขึ้นมาเลยโอ้ยหยุดเลยตรงนี้คิดไปซะอย่างดีเลยผิดทุกที่ก็งั้นถ้าในที่เนี้ยได้เท่าไหร่เนี่ยทุกคติได้ไหมทุคติเหตุตัวบุคคลได้ไหมในโทรศัพทชาวนาวิธีนี้ ไม่ใช่ในโทัวร์สาชาวนาะที่เป็นการเ่าเวรขาพาะวงเนะี่ยเออวิธีที่ประเภทที่สองประเภทที่สองเนะนี่ยในในประเภทที่สอง